ขอ oh, ความสุขความเจริญจะมีดนท่านผู้ฟังทั้งหลายประสูต์ที่จะนำมาบรรยายในวันนี้คือโสนะกุทันติสูตรซึ่งเป็นประสูต์ที่ส่งแสดงไว้ในจีคณิกายามีข้อความโดยสรุปว่าคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ไปในแคว้นมคต ไปประทับอยู่ที่ริมสระน้ำชื่อว่ากัคคราซึ่งเป็นเขตปกครองของโสนพ ร, ราหมณ์พระรามได้เห็นบุคคลเป็นนันมากเดินไปฝ้าพระพุทธเจ้าก็เกิดความสนใจสอบถามทราบความว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับในที่นั้นก็บอกให้ชาวบ้านเขารอก่อนท่านจะไปด้วย แต่บริวารใกล้ชิดของท่านกาท่วงริงว่าโสนภพรามนั้นเป็นพรามมหาศาลเป็นถึงก็คล้ายๆกับอะไรค ล, ค, ล ค, ล ค, ลคล้ายๆคล้ายๆคล้ายคล้ายหลวงคือปกครองดินแดนส่วนหนึ่งที่พระเจ้าพิมิษารมอบหมายให้การไปฟ้าพระพุทธเจ้าก็เจียสักศีโดยพวกพรามพยายามที่จะ นมนาวจิตใจของโสนกุตันตพรามให้เห็นว่าท่านนั้นฐานะสูงกว่าพระพุทธเจ้าโดยยกเอาในด้านรูปร่างในด้านฐานะทางสกุลในด้านทรัพย์สินในด้านบริวารและคุณสมบัติต่างๆเข้ามาเปรียบเทียบแต่ ว, ว่าโสนกุตันตพรามท่านก็นชี้แจงให้เข้าใจว่าคือทั้งหมดนั้นอะ ทั้งหมดที่เอามาเปรียบเทียบเนี่ยแท่านสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้สักอย่างแล้วท่านก็ให้รายละเอียดหรือตามเรื่องราวที่เราทราบกันมาเนี่ยว่าเช่นว่าในด้านสายสกุลวงจริงๆรพระพุทธเจ้าก็เป็นกษัตริย์อุปโตสุชาติคือเกิดดีแล้วทั้งฝ่ายมารดาลและปิดาสืบสาวไปไม่รู้สักกี่ชั่วสกุลในด้านทรัพย์สมบัติคือท่านมีทรัพย์สมบัติแต่พระพุทธเจ้าก็มีล้นกว่าท่าน แล้วก็สละทรัพย์สมบัติได้ในด้านรูปร่างพระพุทธเจ้าก็ทรงสมบูรณ์ด้วยมาผริสลักษณะแต่ท่านก็ไม่เป็นเช่นนั้นก็เทียบเคียงกันมาทั้งหมดแล้วท่านก็เชี่อเห็นว่าท่านเองก็ด้อยกว่าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าบ้านพระพุทธเจ้าก็เป็นแขกมาในฉินของท่านเนี่ยท่านจะต้องไปเฝ้าและเป็นการสมควรต่อจากนั้นท่านก็ชี้แจง ถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าให้พวกพรามทั้งหลายได้สรารถึงคุณสมบัติโดยอเนกกระปริยายสดมากแล้วก็อยู่ในยะของนวหารคุณเก้าที่เราสวดกันเองและมีบางประเด็นที่ว่าพระพุทธเจ้านั้นมีพระพักผ่องใสไม่สยิวพระพักคือไม่มีพระพักบึ้งตึงคือบางคนก็พูดไปในทํานองว่า พระพุทธเจ้ายิ้มแย้มอยู่เสมอวันก่อนนี้ได้ยินบอกพระพุทธเจ้ายิ้มรับเสมอมันพูดเป็นเล่นไปพระอารหันต์ไม่ยิ้มหรอกก็แต่ว่าหน้าตานั้นเบิกบานแจ่มใสแต่นั้นเองก็ในที่สุดท่านโสนะกุฏันตะพราม์ก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ว่าท่านเองก็คิดคือมามันก็มีมาน a อย็นนิดหน่อยก็อยากอวดอยากเบ่งเย็นนิดนิดเหมือนกัน มันคิดว่าไปฝ้าพระสมณโคดมแล้วถ้าพระองค์เกิดถามปัญหาที่ยากๆเกิดมาเราตอบไม่ได้มันก็เสียหน้าจังมีคิดยังไงนะให้พระองค์ถามปัญหาที่ง่ายๆแลวเราจะตอบได้พระเจ้าก็รู้ความคิดของท่านเมื่อพราหมณ์เข้ามาถึงมาฟ้าก็รับสั่งถามปัญหาที่เรียกว่าคล่องปากที่สุดเลยคือถามถึงการกำหนดความเป็นพราหมณ์ ในหมู่พราหมณ์ทั้งหลายนั้นกําหนดกันด้วยอะไรโสนะกุตันตพราหมณ์ก็กราบทูลว่ากําหนดด้วยคุณสมบัติ5ประการด้กันประการแรกเขาเรียกว่าเป็นอุปโตสุชาติคือเกิดดีทั้งสองฝ่ายได้แก่มารดาต้องเป็นนางพราหมณีที่สืบสายสกุลพราห ม, มาและบิดาก็ต้องเป็นพราหมณ์ที่สืบสายสกุลพราห ม, มาเช่นเดียวกัน ประการที่2ต้องมีรูปร่างสง่างามเปียบเปียบปานดังรูปของพรหมประการที่สก็จบใจเพศและเวททางกษัตรจบมนของพรามประการที่4เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและประการที่5สมถึงพร้อมด้วยปัญญาพระพุทธเจ้ารับสั่งถามว่าคุณสมบัติเหล่านี้ถ้าจะตัดออกเสียบ้างได้ไหม ท่านบอกว่าถ้าตัดชาติได้เออไม่ใช่คือตัดรูปร่างก่อนตัดรูปร่างออกก่อนแล้วก็ต่อไปก็ตัดชาติสกุลต่อจากนั้นก็ตัดความแตกฉาในใจเพศและเวททางกษัตริย์พอมาถึงข้อที่4ที่5ท่านบอกไว้ข้อที่4ที่หตัดไม่ได้คือถ้าตัดแล้วก็จะหมดความเป็นพรามไปเลยข้อนี้ออท่านทั้งหลายจะเห็นว่า โซน่พราหมณ์ท่านก็เป็นพราหมณ์ที่มีเหตุผลมากกว่าพราหมณ์เป็นนั้นมากที่เคยมาฟ้าพระพุทธเจ้าประวัติมากแล้วพวกนี้จะเกาะติดอยู่ที่โคตรที่สกุลของพราหมณ์เป็นหลักใหญ่และในที่สุดเมื่อสนทนากันแล้วก็เป็นนันวยุติกัรนนะ่ะยุติกันว่าตรงกับหลักในพระพุทธศาสนาคือศีลกับปัญญานั้นตัดออกไม่ได้ จากนั้นรพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะในพระพุทธศาสนานี้โดยอเนกประยายนะฮะคือกว้างปางมากยาวมากก็เริ่มมาจากคนที่เริ่มมองเห็นเหตุมองเห็นผลในการดํารงชีวิตแล้วก็ตายอันดับมาเรื่อยปฏิบัติในชั้นศีลที่ประณีตมาเป็นชั้นๆ เ, เรียกว่าจุนศีลมหาศีลมชิมศีลแล้วก็มาเรื่อยมาจนถึงบรรลุมรรคผลนิพพานไปนี่ก็เป็นรายละเอียดและในที่สุดโซนะ กุทันต์พราหมณ์ก็ได้เกิดสถาเลื่อมใสแสดงตนเป็นอุบาสกนับถือพระพุทธศาสนากร น, นีมีมีประเด็นที่นอกจากที่เคยกล่าวมาในสูตรก่อนนะฮะเดี๋ยวท่านจะเห็นว่าประสูตรนี้ขึ้นต้นมันก็แนวเดียวกันแนวที่พวกพรหาหมาสาลเหล่านั้นได้ยินเกียรติคุณของพระพุทธเจ้า แต่ว่ามีประเด็นที่น่าสังเกตอยู่ประเด็นหนึ่งซึ่งไม่เคยพูดก็คือว่าคนใกล้ชิดผู้ใหญ่ถือไม่ว่าในยุคในสมัยใดยก็ตามบางทีมันก็เป็นพิษเอาตากว่าผู้ใหญ่ท่านนั้นไม่มีความเป็นตัวของตัวเองไม่มีเหตุผลในการตัดสินวินิจฉัยเรื่องราวต่างๆมันก็ถูกลูกน้องหรือก็ตั้งแทนให้เซนอะไรก็ได้ตามสบายอย่างโซณกุตันดพรามนี้เราเห็นได้ชัดเลยว่า ท่านเป็นคนมีเหตุมีผลของตัวเองและวิธิใชัยตัดสินปัญหาต่างๆด้วยความรอบรู้ความเข้าใจในเหตุผลของตัวเองแม้จะมีคนห้อมล้อมห้ามปรามด้วยประการต่างๆแต่ท่านสามารถที่จะชี้แจงให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมจำนนด้วยหลักของเหตุของผลได้นี่ก็เป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับคนที่จะเป็นผู้นําบุคคลอื่นที่ท่านเรียกว่าเราฟังเป็นแล้วก็พูดให้คนอื่นก็เข้าใจได้ บางครั้งบางคราวคนที่ห้อมล้อมผู้ใหญ่อยู่เนี่ยมันก็มีกําลังมีด้วยแรงมากถ้าหากว่าเราไม่สามารถชี้แจงสลายความคิดที่เป็นพิษออกไปมันก็กลายเป็นหอกข้างแคร่ที่อาจจะสร้างอันตรายให้เกิดขึ้นได้แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าในประสูตรเป็นนั้นมากพวกพราหมาสารมักจะขึ้นอย่างเนี้ยขึ้อย่างเนี้ยบริวารพวกสอพรทั้งหลายก็จะ ชดเชิดชูนายของตัวเองขึ้นมาโดยเหยียบย่ำพระพุทธเจ้าเหยียบเคียงกับพระพุทธเจ้าส่วนมากมันก็จะใช้คําอยู่คําหนึ่งที่เรียกว่าสมณะโลนถือว่าพระพุทธเจ้านั้นพวกโบราณโค่นผมโค่นหัวเป็นความรู้สึกนึกคิดของพวกพราหมณ์ที่ดูหมิ่นคนซึ่งโคนศรีรษะโลนในสมัยนั้นแต่พราหมณ์ผู้ใหญ่เหล่านั้นคือไม่ใช่สูตรเดียวนะก็มีเยอะ ท่านสามารถชี้แจงได้ท่านจึงปกครองบริษัทบริวารที่ประชาชนมอบหมายให้ได้พอสามารถพูดชี้แจงให้คนอื่นก็เข้าใจนี่ก็เป็นหลักที่ต้องใช้ในฐานะต่างๆของบุคคลที่มีอยู่เป็นอยู่ในยุคในสมัยไหนก็ตามแม้ในยุคปัจจุบันเอ่อประการต่อไปก็คือเรื่องการให้ความสำคัญแก่แขกที่มาเยือน ตรงนี้ในหลักของพระวินัยพระพุทธเจ้าทรงแสดงวินัยไว้หมวดหนึ่งเรียกว่าอาคันตุกะวัดคือข้อปฏิบัติที่เราจะต้องกระทําต่อผู้ที่มาเยือนแต่ก็เป็นชั้นวินัยของพระนะฮะไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ว่าไปไปไปกระเกณฑ์เป็นแบบแผนสมัครชาวบ้านปฏิบัติชาวบ้านท่านก็สอนหรือไม่ถึงกับบัญญัติเป็นวินัยแต่ถ้าพระแล้วก็บัญญัติขึ้นเป็นวินัยสำครปฏิบัติถ้าใครไม่ปฏิบัติก็ถือว่าเป็นความผิดเรียกว่าอาคันตุกะวัด คือการต้อนรับแขกนั่นเองแล้วในหลักของคารวตาคือคารวะธรรม8ประการเอ้ไม่ใช่6ประการที่พระเจ้าทรงแสดงไว้เนี่ยคือข้อสุดท้ายทรงใช้คำว่าปฏิสันถานคาระโวคือความการเคารพเอื้อเฟื้อในการปฏิสันฐานแล้วก็จบลงด้วยคำว่านิพานาเสวะสันติเกเป็นข้อปฏิบัติที่ใกล้พรนิพพานาซึ่งในกรณีนี้ดูแล้วคล้ายๆจะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร แต่จริงมันสลายกิเลสได้แยะการต้อนรับการปฏิสันถานบุคคลอื่นสมมุติว่าพราหมณ์โสนกุตันตพราหมณ์เนี่ยแกเกิดมีมานะว่าแกใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าตามที่ลูกน้องยกย่องมานะมันก็ฟูขึ้นภายในใจแกก็ทําให้โอกาสต่อไปเช่านจ้จะฟังทำเข้าใจธรรมะจนเกิดศรัทธาเลื่อมใสเนี่ยมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะถูกปิดกั้นด้วยมานะแต่ทีนี้มานะท่านก็นลดลงไปลดลงไปก็ให้ความต้อนรับเอื้อเฟื้อในแต่ละชั้นในแต่ละฐานะาเป็นการปฏิบัติข้าวหลัก ของบุญหรือของกุศลกรรมบุที่ทรงแสดงเอาไว้ทีนี้เรื่องความปักใจเชื่อใจคือยึดถือในเรื่องชาติสกุลของพราหมณ์เนี่ยเป็นความปักใจที่สูงเหลือเกินมีแย้เลยพระสูตรแนวเนี่ยส่วนมากแล้วก็เรียกว่าเขี้ยวลากดินมาฟ้าพระพุทธเจ้ายึดถือตัวว่าตัวเองเกิดในชาติะกุลสูงเป็นเรียกอะไรนะ เป็นพวกขาวเป็นเกิดมาจากโอทของพระพรหมอันพระพรหมสร้างแล้วอันพระพรหมบันดาล น, นะเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์โดยยิ่งใหญ่อะไรตัวอะไรกันแล้วแต่จะว่าแต่เราเรามองนึกดูว่าไอ้ความยิ่งใหญ่ที่พวกพราหมณ์เขาอ้างนั้นเป็นการอ้างเอาที่พระพรหมตัวเองก็ไม่ได้ค่อยเก่งกาจอะไรแล้วพวกพรามอ่ะแต่ว่าไปอ้างบารมีพระพรหมพระพรหมอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ซึ่งพระพุทธเจ้า เวลาตอบปัญหาท่านเหล่านี้ก็แล้วแต่ใครนะฮะคือจิตจะชั้นดาบหนาหรือบางหรือถ้าถ้าหนาแล้วบางทีใช้คำแรงมากเคยสรงปฏิเสธถึงความมีอยู่ของพรหมที่เป็นผู้สร้างนะฮะผู้สร้างโลกสร้างจั ก, กรวาลสร้างอะไรก็ตามแ้วสร้างโดยเฉพาะคือสร้างคนเนี่ยทรงใช้คำที่บางทีก็ตำหนิในแง่ของอวิชชา บางทีก็เชี้ให้เห็นในการละเลยปัญหาข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในโลก เ, เช่นในแง่ของอภิชาณทรงเชีย่ยวเห็นว่าคือคนทั้งหลายเนี่ยที่กล่าวถึงพรหมการไปสู่พรหมความมีอยู่ของพรหมความมีอยู่ของพระพรหมเป็นผู้สร้างนะครับสั่งถามว่าใครเคยพบพรหมไหมใครเคยเห็นพรหมเคยเคยเค ย, เคยพบพรหมผู้นี้บ้างไหมก็ไม่มีถามไปอาจารย์ของอาจารย์สื่อไปเป็นแถว ก็ไม่มีใครเคยเห็นแม้มหาฤาษีแปดตนที่เขียนตำราที่เกี่ยวกับพรหมเองก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นว่าพรหมมีอยู่จริงๆแต่ในที่สุดก็พูดถึงพรหมจนแสดงว่าความคิดและการพูดในลักษณะนี้เหมือนกับพวกตาบอดจูงเดินก็เป็นแถวเคยตั้งหัวแถลมันก็ตามันก็บอดแล้วก็จูงเดินก็เป็นแถวเงี้ยเองเคยต่างคนต่างก็ไม่เห็นอะไรและบางครั้งบางคราวนั้นทรงชี้เห็นในรูปของการละเลยข้อเท็จจริง ที่มีอยู่ในปัจจุบันในฐานะผู้สร้างพระคุณเจ้าเรายอมรับผู้สร้างเหมือนกันนะฮะไม่ถึงกับปฏิเสธแต่ว่าผู้สร้างที่จริงคือใครก็คือพ่อแม่พระคุณเจ้าบอกว่าพราหมณกับพราณีแต่งงานกันเนี่ยคนก็เห็นกันสองคนก็อยู่ร่วมกันก็เห็นนางพราหมณีมีครันก็เห็นนางพราหมณีคลอดลูกก็เห็นแล้วพล่มที่ไหนมาสร้างตรงไหนเดต้องเชื่อเห็นว่านี่มันละเลยข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงมันก็เป็นอย่างเนี้ย ก็พระพรหมก็คือพ่อแม่นั่นเองเป็นผู้สร้างที่แท้จริงของของพวกพราหมณ์ทั้งหลายที่ถือกันว่าพรหมผู้สร้างเรื่องเหล่านี้ท่านจะเห็นว่าพวกมาเริ่มตีรวนพระพุทธเจ้าตั้งแต่ยังไม่ประกาศธรรมนะฮะต่านึกดูพุทธวัตรนี่ก่ อ, อกะฮะมีพราหมณ์คนหนึ่งที่มาท่าทางเบ่งๆ่งมาตอนพระพุทธเจ้าประทับเสวยมุติสุขอยู่ที่ต้นอัจชบาลนิโครดไอ้คนนี้เบ่งมากเลยเวลาพูดเอาหึ่งจะขึ้นอย่างนั้นหึ่ คือขึ้นอย่างนี้คำรามขึ้นมาเรื่อยสดแสดงความยิ่งใหญ่หขึ้นมาตักเตียถามพระพุทธเจ้าว่าพระสมณะโคดมมีความเห็นว่าคนเช่นไรจะเรียกว่าพระมเพื่อต้องการยกย่องแกนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านรับสั่งเรียกว่าชนป้อมกันเลยบุคคลใดก็ตามที่มีบาปประรมลอยได้แล้วคือไม่มีบาปอยู่ภายในใจ ไม่มีกิเลส ท, ที่ฟูขึ้นมาภายในใจซึ่งเป็นเครื่องให้คู่คนอื่นก็คือคือซึ่งเป็นคําหยาบบุคคลเหล่านั้นเราเรียกว่าพราหมณ์โดยไปหลังไปหายเลยเราจะเห็นว่าเป็นการเริ่มปฏิรูปคําว่าพราม์คราวแรกของพระพุทธเจ้าเราเพราะงาั้นบางทีเราเรียกพระอารหันต์ว่าเป็นพราหม์แต่ความหมายไม่เหมือนกันแต่แม้จะส่งแสดงโดยโดยอเนกโดยปริยายอย่างไรก็ตามเพราะอ้อก็จริงก็ พวกพราหมณ์ไม่เคยไม่เคยยอมรับในเงื่อนไขเหล่านี้นะฮะนอกจากคนที่เกิดศรัทธาเลื่อมใสจริงๆบางคราวก็ส่งแสดงดิ่ชีเห็นถึงความไม่แตกต่างกันอุปมาเหมือนกับไฟที่เกิดจากไม้ความร้อนก็ดีเปลวควันก็ดีอะไรก็ทานเถินก็ดีมันก็คือกันฮนะไม่ใช่ว่าจะไม้หนึ่งไฟจะมีสีอย่างหนึ่งควันจะมีรูปร่างรักษะอย่างหนึ่งก็เปล่า ไม้จะเป็นยังไงป่าไหนมันก็คือกันนั่นแหละพวกพราม์ทั้งหลายหรือว่าพวกคนทั้งหลายในโลกก็มีลักษณะเช่นเดียวกันไม่ได้แตกต่างกันในชั้นวรรณะความถือชั้นวรรณะของพราหมณ์บางครั้งนี่แรงในพระไตรปดกมีอยู่เรื่องหนึ่งที่แรงแล้วก็ฟังแล้วก็รู้สึกว่าสะใจดีเหมือนกันคือสมน้าหน้าพวกพรามใ น, นสมัยนั้นมีพวกจันทานจันทานนี่คือการผสมการเกิดศัพท์บรรณะ เกิดศัพวันนะแต่ก็ถ้าที่สังเกตก็ไม่ใช่วันณะสูงเกิดศัพสนกันในวันณนะสูงเจ่นกษัตริย์กับพราหมณ์เกิดลูกมาเนี่ยถึงแม้จะในแง่ของวันณนะคนสมัยนั้นเชื่อถือว่าเป็นพราหมณ์แต่พวกนี้มีเงินมีอานาจมีเงินมีอานาจมันก็เพื่อนเออเป็นจันทฐานมีเงินมีอานาจพวกก็ไม่กล้าเดี๋ยวจัดข้าเป็นยันทฐานเหมือนกันเออ พวกจันทาใ น, นพวกพรามถือว่าถ้าเห็นจันทา น, น่ถือว่าเป็นเสนิตมากขนาดเห็นด้วยตาเนี่ยต้องเอาน้ำไปล้างตาเลยเน้ำล้างตาเลยแล้วถ้าพวกพรามไอพวกจันทานเกิดเดินเงาทับขึ้นมาเนี่ยสมมติว่าเดินแล้วก็เงาเกิดไปทับกันเนี่ยถือว่าเป็นสนิท จ, จังเลยต้องไปอาบน้ำขอมตั้งในางสหกหม้อเนี่ยเคยชำระ บ, บาปกันใหญ่เลยเรียกถือกันสาหัสสาการจริงจริง ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่ธรรมะไปในที่ต่างๆนี่ก็พระพุทธศาสนาเราไม่มีวันนะหรือใครก็ตามก็เหมือนกับสุบินนิมิตของพระพุทธเจ้าที่ว่ามีนกสารพัดชนิดเนี่ยคือมาจากทีต่ต่างๆพอมาถึงพระองค์แล้วก็เป็นสีขาวทั้งหมดเพราะงั้นผู้ที่จะอยู่ในวันณะอะไรเผ่าพัานธุ์อะไรก็ตามพอมาถึงพระพุทธศาสนาก็เป็นสมณะสักยบุตรเสมอกันหมดพวกนี้ จากพระธรรมาเทศนานี่ก็มีพวกจันทานที่ศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็เห็นจริงตามคําสอนของพุทธเจ้าแล้วก็อยู่ในฐานะของอุบาสกเนี่ยท่านก็ไม่ยอมรับเงื่อนไขที่พราหมณ์เคยเคยใช้อ่ะเมื่อก่อนนี่พวกพวกจันทานไปไหนต้องเคาะกลอกเพื่อสัญญาณนะจันทานมาแล้วนะต้องหลบนะจันทานมาแล้วหลบไปใครกลัวเสียดก็ต้องหลบแต่ท่านพวกนี้ท่าไม่หลบแต่วท่านไม่เคาะด้วยท่านก็เดินสง่าเลย ไปถึงในทิดากองเศรษฐีเ้าเตรียมตัวที่จะไปอาบน้ำในแม่น้าคือสมัยก่อนผู้หญิงแขกสมัยพระเจ้าเนี่ยมันจะออกได้ในคราสูุรสงกรานคือวันพิเศษพิเศษแต่นั้นออกจากบ้านแล้วจะไปเป็นขบวนไปเป็นท่านน้ำไปทูไปที่ไอพวกเทวาไลาอะไรต่างๆเนี่ยจะไปกันเป็นหมู่เป็นหมู่ผ่านผู้นี้ก็เดินสง่าเลยแล้วก็ไปผ่านหน้ารถก็พอดพอรู้ว่าเป็นจันทานทิดาเศรษฐีกลับ ถือว่าพบสิ่งที่เป็นอับมงคลกลับไม่ยอมไปพวกลูกน้องก็เลยพลาดโอกาสไม่ได้เที่ยวเพราะนายกลับก็ต้องกลับด้วยเลยกโกรธมาซ้อมมาหนี่ใหญ่ซ้อมเนี่ยนี่ก็ประท้วงใช้วิธีประท้วงบุกเข้าไปที่บ้านไหนไปถึงนอนนอนเพราะอะไรเพราะว่ามีคตินิยมอยู่ว่าถ้าจันทานตายภายในบ้านของพราหมณ์แล้วเจ็ดหลังคาเรือนรอบทิศทางเนี่ยมันจะเป็นผลาว เ, เป็นเป็นเป็นจันทานหมดเลยเป็นจันทานเป็นจันทานมาเลยคนนี้ก็ใช้วิธีเข้าไปถึงกันนอน บอกว่าแกยื่นคําขาดอย่างเดียวต้องเอาธิดาเศรษฐีคนนี้เป็นเมียให้ได้ถ้าเป็นงานแกแกนอนตายตรวเนี้ยแล้วมาถูกก็ไม่ได้ไเป็นนนียรถูกก็ไม่ได้เข้าใกล้ๆก็ไม่มันยุ่งไปหมดเลยทีนี้พราหมณ์บรรยุ่งหมดเลยแล้วพวกคนอื่นก็เชียดสิพวกสูตรพวกจันทานได้พวกก็เชียดจะให้พวกสูตรไปช่วยจับให้มันก็ไม่จับให้จันทานจับให้มันพวกมันเนี้ยมันก็จับให้นี่ก็ยอมประท้วงไม่กมินข้าววันี้เอาเงินมาให้อะไรมาให้ไม่เอาหมดนอกจากธิดาเศรษฐีคนเดียว ทำไปทำมาก็ถูกประชามาติบีบเอันนี้มันจะตายจริงหลายวันแล้วไม่ยอมกินข้าวไอบีบไปเพื่อนบ้านใกล้ใกล้กลเคียงกลัวตัวเองจะกลายเป็นจันทานกันมาด้วยเลยก็มาบีบคนนี้บอกให้หมอบทิดาเศรษฐีให้ไปยอมให้เป็นจันทานได้คนเดียวก็พ่อแม่ญาติพี่น้องก็ยังยังเป็นพรามอยู่นะฮะถ้ามอบไปไปคนเดียวนายนี้ก็ไปนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นในสังคมอินเดียหลังพระพุทธเจ้าเกิดขึ้ น, นคือเป็นการปฏิวัติที่แรงมากเลยแล้วดนการกระทําของประชาชนเอง แต่นั่นแหละพอในยุคหลังอินเดียก็คืออินเดียทุกวันยังมีพวกวันนะเหล่านี้อยู่เยอะแยท่านมหาตมาคารทีเปลี่ยนชื่อเป็นหมายว า, าริจัน์คือโอรสของพระเจ้านะฮะอาริจันในเป็นโอรสของพระเจ้าโดยมีตั้งเป้าหมายไว้เมื่อพศเท่าไหร่คือได้เอกราชครบยี่สิบห้าปีพศเท่าไหร่เออศูนย์หนะึ่งสองฮะรู้สึกจะหนึ่งสองสมัยวีวีกิรีเป็นประธานาธิบดี เป้าหมายของขันธีต้องการให้ประธานาธิบดีช่วงทวีกิรีเป็นเนี่ยให้จันทานขึ้นเป็นตอนนั้นมีจักรคีวันรามเป็นจันทานอยู่คนคณะตระมัดทีว่าการกระทรวงกลาโหมตอนอินเดียรบ ก, กับบังกลาเทศแต่ก็เป็นไม่ได้ฮะปณุธานยังพวกวันนายัางแข็งอยู่เอ่อตกลงว่าการแก้ไขเรื่องวันณะในอินเดียจึงแก้ยากและอินเดียก็คงมีปัญหาอยู่ตลอดไปพระพุทธเจ้า ต้องการที่จะให้โสนะปุตันติพรามเนี่ยเกิดความภาคภูมิหรือความภาคภูมิตามที่ท่านต้องการแต่มันแสดงอะไรนะฮะแสดงให้เห็นถึงประยานข้อหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าปาฏิหารนะฮะยานก็คือเจโตปริญานคือรู้ใจคอ น, นิดเขาคิดได้ถามอย่างนั้นก็ถามไว้อย่างนั้นแหละแล้วก็คืออะไรคืออาเทศนาปาฏิหารการถ่ายใจรู้ใจของบุคคล สามารถที่จะสอบถามแสดงธรรมะให้ตรงต่อพื้นจริตอัตยาสัยของของคนเหล่านั้นได้ปัญหาประการต่อไปก็คือเรื่องคุณสมบัติของพรามซึ่งท่านตั้งหลายจะเห็นว่าก็เริ่มจริงๆก็กำหนดมาทีิชาติหรือชาติกำเนิดพระพุทธเจ้าเองนั้นแสดงสัจจะธรรมคือถ้าจะพูดโดยชาติแล้วสมัยก่อ น, นมีคนเยอะมาถามพระพุทธเจ้ามีชาติอะไรพระพุทธเจ้าอย่าถามโดยชาติถามถึงธรรมะกันดีกว่า เราอะไรพระพุทธเจะเอาชาติกันจริงๆไม่มีปัญหาพระพุทธเจ้าเป็นคนไม่มีปัญหาจอาชาติสกุลเนี่ยก็ไม่มีใครเสมอพระองค์ในจงพูทวีปสมัยนั้นแต่ว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วทรงแสดงให้เห็นว่าก็เป็นบาสิทธิ์ที่แพรหลายนะนะาชาัดจาวันสโลโหตินะจัจญาหติปรัมโนคือคนเราจะเป็นคนเลวก็ไม่ใช่เพราะชาติสกุลเป็นคนประสเสฐขึ้นมาก็ไม่ใช่ชาติสกุล แต่คนจะดีหรือจะเลวก็เพราะการกระทําของบุคคลเหล่านั้นดังนั้นในพระพุทธศาสนานั้นได้พิสูจน์อะไรหลายอย่างถึงหลักของพระพุทธภาสิา ท, ที่ทรงแสดงไว้ยกตัวอย่างเช่นว่าพระอาหารหันต์เป็นตําแหน่งที่ไม่ได้ผูกขาดพระหัน์ในพระพุทธศาสนาฝ่ายที่เป็นผู้หญิงนั้นอดีตโสเพณีอดีตขอทานอดีตราชินีเป็นได้หมดเลยเป็นพระหันได้หมดฝ่ายที่เป็นพระอดีตมหาจร อดีตขอทานอนดีตเศรษฐีอดีตพระราชาเป็นพระหารได้เรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรพระญาบุคคลในระดับที่ลดหลั่นลงมาก็เหมือนกันบางทีที่เรื่อนกุฏิถังเป็นพระญาบุคคลได้เพราะอะไรเพราะความเป็นพระญาบุคคลเป็นที่ใจไม่ได้เป็นที่ไม่ได้เป็นที่รูปร่างกายไม่ได้เป็นที่สกุลไม่ได้เป็นที่อย่างอื่นแต่นั้นในแง่ของสัจธรรมพระพุทธศาสนาจึงแสดงสัจธรรมคือความจริงในกรณีนี้ว่าชาติตระกุลไม่ได้เกี่ยว แต่แน่นอนไม่ได้หมายความว่าเกิดมาในตระกูลดีแล้วไม่ใช่ผู้ดีไม่ใช่อย่างนั้นนะหมายความว่าในการกําหนดความเป็นผู้ดีนะั้นกหนดที่การกระทำํำจริงๆคนเกิดมาในตระกูลดีโอกาสที่จะดีมันก็ง่ายนะก็อยู่สิ่งแวดล้อมที่ดีแต่ก็ไม่แน่เสมอไปนะไม่แน่คือเราหาข้อยุติในเรื่องนี้ไม่ได้แต่ข้อยุติที่ถูกตรงที่สุดก็คือการกระทําการกระทําเป็นตัวกําหนดความดีหรือความไม่ดีของคน แล้วก็ไม่มีการกระทําไม่มีอํานาจอะไรจากปัจจัยภายนอกที่ทําให้คนดีหรือคนชั่วนอกจากการกระทําของบุคคลเหล่านั้นเองอย่างที่ทรงแสดงเป็นหลักหลักฐานใหญ่เนี่ยคือสุทธิสุทธิปัจจตางนานโยอัญยังวิโสเทเยความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนหนึ่งจะทําคนหนึ่งให้บริสุทธิ์ไม่ได้คือต่างคนต่างก็ทําเองแม้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทําใครให้บริสุทธิ์ไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าสอนได้สอนทางแห่งความบริสุทธิ์ได้ บอกได้ชี้แจงได้แล้วรับรองผลแต่คนนั้นต้องปฏิบัติเองต้องปฏิบัติเองก็เหมือนอะไรก็เหมือนกดธรรมดาเนี่ยคืออย่างพ่อแม่จะช่วยลูกอย่างมากที่สุดเด็กก็ป้อนอาหารเข้าไปไอ้ลูกต้องกลืนเองเอวัยวะต่างๆของลูกต้องย่อยอาหารเหล่านั้นเองจะช่วยได้อย่างมากก็แค่ป้อนอาหารให้เท่านั้นเกินไปอย่างนั้นมก็ช่วยไม่ได้ลูกจะต้องทําด้วยตัวของตัวเองการปฏิบัติธรรมในทางลูุศธศาสนาก็มี ลักษณะเช่นเดียวกันทีนี้ประการต่อไปถึงรูปร่างซึ่งก็ถือว่ารูปงามสง่านเนี่ยเหมือนเหมือนพรหมก็ก็มักจะคุยคุยว่ารูปเหมือนกับรูปพรหมไอ้พรหมมารูปร่างไปยังไงก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่พรหมสีหน้าแน่นะฮะพรหมสีหน้าแล้วก็เด็กสมัยนี้มีปัญหาเออพรหมแก น, นอนอยังไงเ <laughs> ออกลัวจะหายใจไม่อก <laughs> อกเออเด็กแกแกก็คาดจะคิดอันนั้นคือเขาชี้ในเชิงรูปธรรมเฉย ชี้ในเชิงรูปธรรมเฉยๆว่ามันมันคนเป็นพรมนะะเราจะเห็นว่าไอ้พรมสีหน้าเนี่มองในแง่พรหมมีหานั้นก็ก็ได้อีกมุมหนึ่งแต่มองในแง่ของผู้ใหญ่ในหมายความมาต้องมองปัญหาได้รอบตัวคือไม่ได้มองอะไรในจุดใดจุดหนึ่งเพียงอย่างเดียวแล้วมองปัญหาได้รอบทิศ ท, ทางแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นเป็นเชิงรูปธรรมก็เลยสีหน้าขึ้นมาก็เด็กก็มีปัญหาไหมก็จะนอนอยังไงก็จะหายใจไม่ออกนะเออ เรื่องรูปร่างพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงถึงว่ารูปร่างก็ไม่ใช่ตัวกําหนดความดีแหะเพราะพรามในความหมายนี้คือหมายถึงประเสริฐนะหมายถึงผู้ประเสริฐคําว่าพ ร, พราหมณ์แปลว่าผู้จากอดของพรหมหรือแปลว่าผู้ที่ประเสรเิฐความงามในชั้นนี้หรือความดีในชั้นรูปร่างก็ถือว่าเป็นวิบากขันคือใครได้ทําบุญมาอย่างไงก็ตกแต่งรูปร่างให้ยังไงมันก็เป็นอย่างนั้น อย่างดีๆก็อาจจะบริหารร่างกายให้สออดสองขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายรูปร่างจึงไม่ใช่เป็นตัวกาหนดที่แท้จริงอย่างที่เคยกล่าวถึงว่าในด้านของความงามเนี่ยที่เรากาหนดกันจริงๆเรือความงามในด้านอะไร เ, ออเสื้อผ้าอภรรที่ประดับตกแต่งกันอันนี้มีปัญหาเยอะ ม, มีเกี่ยวกับความเหมาะสม ชุดนี้เหมาะสมกับคนนั้นชุดนั้นเหมาะสมกับคนนี้เป็นยุคเป็นสมัยอะไรต่ไราสารพัดและอีกอย่างหนึ่งความงามในชั้นนี้มันก็อยู่ไม่ได้กี่ชั่วโมงความงามอีกชั้นต่อมาก็คือสวดทรงสันฐานรูปร่างหน้าตาแต่เป็นลักษณะที่อามาเคยบอกไม่ใช่ว่าอามาว่าเองนะฮะภาษิตโบราณเขาว่าก็บอกว่าเทพเจ้าแห่งความงามกับเทพเจ้าแห่งความดีเทพเจ้าแห่งทรัพย์สินเนี่ยไม่อยู่ร่วมกันจะไม่อยู่ร่วมกันกับ แต่ถ้าเกิดอยู่ร่วมกันในคนเดียวนะมันมันยอดคนนะคนนี้งามด้วยแล้วก็มีความดีด้วยก็มีท ร, รัพย์สมบัติด้วยมีปัญญาด้วยเนี่ยเทพเจ้าเหล่านี้จะไม่อยู่ร่วมกันในคนเดียวนี่ก็พูดในสํานวนรูปธรรมนะพูดสํานวนรูปธรรมว่าก็ดคล้ายๆกับเทวดามารักษาคนเนี่ยแต่ว่าคนเราจะไม่อยู่ร่วมกันในในจุดเดียวกันถ้าหากว่าเกิดมาอยู่ร่วมกันถือว่าคนนั้นเป็นคนพิเศษเป็นคนพิเศษจริงๆ เช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยสมบูรณ์พร้อมที่พระเจ้าแห่งความงามแห่งความดีแห่งปัญญาแห่งทรัพย์สินมาอยู่พร้อมเลยมันก็เป็นอัจฉริยะมนุษย์ไปแล้วเราก็หาอัจฉริยะมนุษย์ประเภทนี้ไม่ค่อยได้รส่วนมากมันมันมันมันมีขาดขาดเหลือขาดเหลือบางคนก็เรียกว่าอัปลักษณ์ตีเดียวอย่างโซเตียลนี่อัปลักษณ์เลยอัปลักษณ์เลยแต่ก็แหมพิเศษเหมือนกันกัในด้านสติปัญญาแกก็ได้สติปัญญาเตีวทรัพย์แกก็ไม่ได้ทรัพย์แกก็ไม่ได้ แต่สติปัญญาแองสูงก็เป็นนักประจาไปจะไม่อยู่ร่วมกันในจุดนั้นแต่ถ้าใครเกิดไปได้ในจุดนั้นครบสมบูรณ์พระพุทธเจ้าเราเราจะเห็นว่าท่านครบสมบูรณ์แล้วคนที่สนใจบุคคลเนี่ยก็สนใจในธรรมสนใจในความท้าบมองสนใจในเสียงสนใจในรูปร่างพระพุทธเจ้าดึงคนได้หมดรอบทิศทางบางคนเนี่ยมาต้องการดูนั้งเด็ ดูรูปหลงพุทธเจา้าแต่นั่นเองไม่มีอะไรนะอย่างคล้ายๆกับอาจารย์สุชิปุญญาณุภาสสมัยเป็นเจ้าคุณหนุ่มๆ น, นะรูปหลอ่อเฮย้ยตึงเลยนะคนฟังาตึงเลยแต่ฟังธรรมะกันตะกี่คนก็ไม่รู้เหมือนกันมาตึงเลยแล้วคนโอมันบือหวาหน้าดูสุชิโวพิกุสุชีโวพิกุสมัยนั้นท่านที่เป็นผู้ใหญ่คงจะนึกออกบือหวาหน้าดูเลยนั้นก็มา ก, ก, ก็มาจากพรอธรรมะกี่คนเราก็ไม่รู้ แต่ว่าส่วนหนึ่งก็มาเพราะรูปร่างมาดูทุ่มเสียงอะไรก็มากันคนละทิละทางก็ดึงได้เยอะตกลงว่าความงามในชั้นรูปร่างมันก็ยังงั้นยังงั้นถึงจุดหนึ่งก็เสื่อมไปอย่างที่เรารู้กันความงามในชั้นต่อไปคือกริยามรญญาตความเป็นผู้ดีที่มีอยู่ในท่านเหล่านั้นอันนี้งามถาวรมากคืองามจนแก่จนเฒ่าเราจะเห็นว่าผู้หลักผู้ใหญ่บางคนแก่อายุตั้ง7จ็ด0ปาสอะไรต่ออนะไรแหมข้าวกล้าท่านนู้สึกเย็นอบอุ่นสบายใจเลย ก็ไม่ได้อะไรย์ดีเรื่องรูปร่างอะไรเลยไม่เกี่ยวแล้วรูปร่างเนี่ยหายไปแล้วเสื้อผ้าอาภรณ์ก็หายไปหมดแล้วไ ม, ไม่ได้เกี่ยวแล้วความงามชั้นหนึ่งก็คืองามงามงามน้ําใจโดยมีหลักธรรมะก็เช่นคันติสฬาจ่เป็นตน้นดังนั้นหลักของธรรมะในพุทธศาสนาจึงเป็นหลักความจริงว่าแท้จริงแล้วเราก็ไม่ได้ติดใจในเรื่องในเรื่องเสื้อผ้าอาภรณ์ในเรื่องรูปร่างอะไรกันเท่าไหร่เรากว่ากันตามความจริงเราสนใจในความเป็นผู้ ด, ดีความมีคุณธรรมของท่านเหล่านั้นมากกว่า เรื่องเหล่านั้นอีกสองอย่างเป็นเรื่องฉาบฉวยแต่นั้นเองทีนี้ไอ้ใจแพศอย่าลืมว่าตรแพทย์นั้นเป็นความรู้นะฮะเป็นชั้นความรู้อย่างเดียวแต่ความรู้ในใจแพศมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละไม่ค่อยมีหลักมีเกณฑ์อะไรหรือคะเวทก็มีตำนานว่าด้วยพระอินทร์สัก6กส์ตมั้งเล่าเรื่องพระอินทร์ก็ยุ่งตรงนงังอก็ตำนานเทพเจ้า อันเทพเจ้าองค์เดียวเกิดลูกทีเดียวตั้งยี่สบสามสิบมันเกิดเป็นยังไงว่าเรื่อยไปนี่ตรงนิทานก็ก็เนี้ยในรฤกษเวทมันก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่อ่ะไม่ก็มีสาระแกนสาระะอะไรอามเวชก็เกี่ยวกับพิธีกรรมเวทมนคาถาแล้วก็หลักต่างๆองพอสมควรสรุปว่าความรู้อย่างเดียวฮก็เราจะเห็นว่าฤกษ์พระใจใจเพศนั้นเป็นเรื่องของความรู้ซึ่งเป็นความจําเป็น แต่ว่าอย่างที่เคยกล่าวมาว่าคนเรานั้นรู้น้อยไม่เข้าถึงเนื้อหาของความรู้อั น, นี่แน่รู้น้อยแต่เข้าถึงคือเกิดความจำนี้ชำนาญเกิด ค, ความแตกฉานในแต่ละเรื่องรู้มากแต่ไม่เข้าถึงรู้มากด้วยเข้าถึงด้วยเพราะงั้นบุคคลที่พึงประสงค์ก็คือคนประเภทที่สองที่รู้น้อยแต่เข้าถึงคือปฏิบัติได้รู้มากด้วยปฏิบัติได้ด้วยอันนี้ก็วิเศษแต่ทีนี้ความรู้ในชั้นไตรเพศนั้นเราจะเห็นว่า พู้พราหมก็มุ่งแต่การสาธยายไม่ได้มุ่งในการพัฒนาจิตใจอะไรกันเท่าไหร่แล้สาธยายได้ท่องได้ว่าได้จะขาดไปบ้างก็ไม่มีปัญหาอะไรแตถ้าจะมีขึ้นมันก็ดีแหละแต่ว่าในประเด็นที่ทรงสแสดงนั้นคือท่าตัดกันจริงๆมันจะตัดได้ทั้งสามข้อพอถึงชั้นของศีลกับปัญญาคือความพูดง่ายๆก็คืออะไรคือหลักพุทธคุณบทว่าวิชาจะนะสัมปันโน เราจะเห็นว่าปัญญาก็คือวิชาศีลก็คือจรณะก็ความรู้กับความประพฤติความรู้กับความประพฤติก็เข้ากันพวกนี้ทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้มันเหมือนดอกไม้ที่มีค่านั้นกลิ่นจะต้องหอมด้วยแล้วดอกนั้นจะต้องสวยงามด้วยไม่ใช่ว่ามีสีสวยงามแต่ไม่มีกลิ่นอันนี้มันก็เสียหนยึ่งหรือว่ามีกลิ่นงามแต่ว่ารูปไม่งามมันก็เสียในด้านรูปแต่ถ้ามีทั้งรูปงามทั้งกลิ่นหอมดอกไม้นั้นก็มีค่า คนเราก็เหมือนกันนะมันก็ต้องมีทั้งวิชามีทั้งความรู้จึงจึงนุนช่วยกันในชั้นของสังคมกับในชั้นของธรรมะมีการกำหนดที่แตกต่างกันชั้นของสังคมก็ถือว่าเป็นชั้นหนึ่งอย่างยกตัวอย่างว่าผู้ที่ประเสริฐสุดยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยพระเจ้าก็ทรงแสดงแต่ที่จริงไม่ใช่ทรงแสดงเองตอนต้นนะฮะท่านสนังกุมารพรมเป็นคนแสดงแต่พระเจ้ายอมรับว่าเป็นความถูกต้อง ในชั้นหนึ่งท่านแสดงว่าคัตโยเซโทชเนตัสมิงเยโกตัปติซารินโวคือคนที่วุ่นวายถือชาติถือโคตรถืออะไรตัวไหกษัตริย์ก็ประเสริฐสุดบรรดาพวกเหล่านี้นะฮะพวกที่ที่ถือชั้นถือวันณาอะไรกันแต่วิชาจารณซัมปันโนโซเซโทเดวมานุเซท่านที่สมบูรณ์ในวิชาคือความรู้จารณะคือความประพฤติเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันนี้เหนือมนุษย์ คือไม่จะเหนือเฉพาะมนุษย์นะเหนือเหนือเทวดาด้วยเหนือเทวดาเหนือพรหมเหนืออะไรไปเพราะเทวดามันยังมีเทวปุตตมานี่ฮะเทวดาเกเรยะเทวดาเกเรเกตุงก็ยะไปคือคือว่าแกเกิดด้วยกุศลกรรมนะฮะเกิดด้วยกุศลกรรมแต่ในขณะเดียวกันอย่างที่เคยบอกเรื่องกรรมเน่ยมันก็มีซับซ้อนมีชนกกรรมกรรมแต่งให้เกิดเอาเป็นกุศลกรรมมีอุปถรรมกรรมกุศลกรรมที่ดีๆก็อาจจะสนับสนุนแต่ไม่แน่บางทีอกุศลกรรมข้าแทรกเป็น อุปปีลิกกรรมคือมันบีบคั้นทําให้ความดีท่านน้อยลงหรือบางทีก็เป็นอุปค า, าตากรรมเข้ามาตัดเลยเทวดาเป็นผ่านแยะเป็นเทวบุตรมา น, เ, นเทวบุตรมานแต่ว่าถ้าสมบูรณ์ในวิชาและจรณะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะอยู่ในจุดใดก็ตามจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมก็ถือว่าไปเข้าถึงความสมบูรณ์ท่านโสรนาโกตันดาพราม์นั้นท่านบอกว่าไอ้ศีลกับปัญญาเนี่ยไม่อาจที่จะขาดได้เลย มันมันมันเหมือนกันเลยคือเป็นเครื่องชำระซึ่งกันและกันคล้ายๆกับเราล้างมือหรือล้างเท้านะท่านจะเห็นว่าเท้าอาจจะเปื้อนเท้าเดียวแต่เวลาเราล้างเราก็ล้างด้วยกันนะ่ะกันล้างด้กันทั้งสองเท้าก็ช่วยกันล้างมือก็เหมือนกนันก็ต้องล้างด้วยกันศีลที่บุคคลมีปัญญารักษามันจะเป็นศีลที่มีเหตุผลแล้วก็ยุติโดยหลักแต่บางทีรักษาศีลแบบงโง่ๆก็มีนะฮะ อ, อย่างในสมัยก่อนนอะไรที่เาเล่ า, ามีเรื่องเยอะมีเรื่องเยอะก็มี คือวินัยเนี่ยมันมีบาดบาดเนี่ยเขากําหนดว่าถ้าถ้าถ้าแตกราวเกินสามนิ้วเนี่ยต้องเปลี่ยนบาดใหม่ใช้เป็นบาดใช้ไม่ได้เพราะมันมันมันก็มีปัญหาแยะแล้วหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านก็บาดท่านราวแต่ยังไม่ถึงสามนิ้วท่านก็ส่องดูได้แต่ถึงสามนิ้วแล้วจะเปลี่ยนไอ้ลูกวัดก็เห็นหลวงพ่อสองบาทก็ฉันข้าวแล้วเช็ดบาทก็นั่งสองบาทเรียกว่าเทนสองบาทเทนสองบาท นี่คื อ, ค, อคือเราไม่ได้ใช้เหตุผลอะไรไม่รู้ที่เขาทานั้นทําทําไมแล้วก็ทําตามตาๆกันไปเรียกว่ายกตัวอย่างอย่างที่สมัยก่อนเนี่ยก็นุ่งจงกระเบนเอะหัวหน้ามักกทายกท่านเวลาก้มลงกราบไอไอหางกระเบนท่านตึงนะท่านก็ปลดหางกระเบนออกไ อ, อพวกข้างหลังก็นึกว่าเว ล, ล, ลากราบพระต้องปลดหางกระเบนเลยก็ปลดกระเบนแถวไปนะปลดกระเบนแถวไปนี่คือคือเราไม่ได้ใช้เหตุผลอะไร ในพิธีกรรมเหล่านั้นแล้วเราไม่ต้องดูอะไรหรอฮะดูง่ายๆอย่างพิธีกรวดน้ําเนี่ยกรวด น, น้ํานี่มัางเราไม่รู้เราทําทําไมนะะบางทีเกาะหางกันไปแถวอะาบางทีอ็มือไปจ่อล้างมือกันไปแถวเลยนีคนกรดน้ํนถาถามมาทําทําไมไม่รู้ก็เห็นก็ทำํำทำกันคือเมื่อก่อนนะเขากรวดน้ําด้วยขันน้ําพอน้ํามันบ่าดเขาก็ น, นี้ไปขวางไว้เพื่อไม่ให้น้ำมันบ่าดรถพื้นเท่านั้นเองต่อมาเรามีที่กรวดน้ําแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นนะ มันไมเป็นอย่างนั้นแล้วเพราะงั้นเอามือไปล้างมันกรวดน้ำเอานางลับล้างมืออุทิศกุศลให้ญาติพี่น้องได้ยังไงใจคอเหลือเกินนะแล้วเราก็ทํากันอยู่ยงั้นไม่ได้ใช้เหตุผลอะไรเลยแล้วทําไมต้องทําอย่างนั้นนี่คือเรียกว่าไม่ได้ใช้ปัญญาแม้แต่ว่าระดับระเบียบประเพณีต่างๆนี่เราก็ทํากันไปหรือว่าในหมู่พระเองเขามีวินัยอยู่ข้อหนึ่งคือสมมุติว่าจีวรครองนะจีวรครองเนี่ยเขาเรียกว่าพระถ้าอยู่ อยู่กุฏิสมมติว่าอยู่กุฏินี้แล้วก็นอนตอนกลางคืนเนี่ยผ้าครองต้องอยู่ในห้องถ้าขาดสมมุติเราเกิดไปตากไว้ข้างนอกแล้วลืมเนี่ยถือว่าขาดครอกผ้านั้นเป็นนิสกีนะต้องสละก่อนต้องสละตามวินัยแล้วก็แสดงอาบัตจึงจะผิดเออจึงจะพ้นโทษได้เอามาห่มไม่ได้ห่มมามเามาห่มแล้วก็ต้องอาบัตเลยสมัยก่อนนี่ก็ถือกันมีสายระเดียงยาวต่งางๆต่างๆเนี่ยผ้าจีบรลเป็นนิสกีตากแล้ว ท่านบอกว่าราวผ้านั้นเอาผ้าอื่นไปตากไม่ได้จะเป็นนิสคีหมดคือไกลๆตัวนิสคีมันก็เชื้อโรคไงมันจะเดินไปถึงไปเปื้อนคนอื่นหมดเลยนี่คืออะไรไม่มีปัญญาตือ้อศีลแบบโง่แบบเขาไม่มีปัญญายังแบบเทนซสองบาทอย่างที่ท่านท่านท่านว่าไว้เนี่ยแต่ในที่สุดมันก็เกิดเกรงเกิ ด, เ, กดเครียดนะบางทีงพระเราเนี่ยทำอะไรเฉยๆสมมติว่าแกสูบบุหรี่สูบบุหรี่แล้วแกสูบอยู่เนี่ยเวลาแกจะทําอย่างอื่นเนี่ย ต้องถือบุรีไว้พรถือบุรีไม่ได้แกก็เท้าหนีบไว้ทำมาทําไมไม่วางกลัว จ, จะขาดประเขต น, นี่คือถือศีลแบบโง่นะถือศีลแบบโง่ๆไม่รู้เรื่องเงื่อนไขของวินัยอะไรเลยก็ทํำโง่ๆไปอย่างเงี้ยมีเยอะที่ทำโง่ๆมันไม่ใช่เรื่องศีลในเรื่องวินัยแต่เราไม่ได้ใช้ปัญญาในการรักษาศีลไม่ได้ใช้ปัญญาไปแล้วก็ทําอะไรเฉยๆไปงั้นเองแต่ถ้าเรามีปัญญาเราก็ชําระศีลได้ มันวิ่นิชัยตัดสินได้ไม่ต้องสร้างความวิตกกังวลไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ถือว่าในกรณีของการทำาำสัตว์ให้ตายมันก็มีหลักอยู่ว่าหนึ่งสัตว์นั้นมีชีวิตสเรารู้ว่าสัตว์มีชีวิตสาตั้งจิตคิด จ, จะ่าสี่ทำความพยายามในฆ่าหาจะตายด้วยความพยายามเรียกว่ขาดสินถ้าไม่ครบก็แล้วไปสินไม่ขาดไม่ต้องไปคิดอะไรมากเสียเวลาเปล่าแต่เราต้องมีปัญญามีความรู้ในเรื่องนี้แล้วเราตัดสินก็เราเองได้ไม่ต้องให้บุคคลอื่นตัดสิน มันมีหลักมีกฎมีเกณฑ์มีความรอบรู้อยู่ทีนี้ไอตัวศีลเองเนี่ยพอเป็นฐานขึ้นมาอาการสงบวิจารสงบมันก็เป็นเชื้อในการสร้างใจให้สงบปัญญามันก็ปรากฏเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่เรียกว่าอิงอาศัยกันอยู่ตลอดหรือจะอยู่โดยโดยลำพังไม่ได้ในความเป็นศีลนั้นก็มีปัญญาในความเป็นปัญญาก็มีศีลอยู่เพราะมันก็เริ่มมาจากศีลจะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าหากว่าเราไม่มีปัญญา เพราะอะไรเพราะว่าไอ้คมวสิกขาประทังสมาธิยามิเนี่ยที่จึงไม่ได้มีในบาลีารู้ไหมพระจ้าทรงใช้คำว่าปานาปาน า, า, าติป า, าตาปาาติบิรตโตโคติหรือว่าปานาติป า, าตาเวรมณีใช่สองคำเพืงง่องดเว้นจากการทําสัตว์มีชีวิตให้ถูกล่วงไปพระเจ้าก็เทศเทศเทศสอนเราก็เห็นเออไอ้ทำอย่างนี้ก็จริงมันเป็นบาปก่าศัตว์เป็นบาปสามารถคิดได้ถ้าเขาฆ่าเราเราก็ไม่ชอบถ้าเราฆ่าเขาเขาก็ไม่ชอบเหมือนกัน แล้วก็เรื่องทราบเรื่องอะไรอะไรมันก็เรื่องเราคิดนะ่ะเรื่องเราคิดออกถ้านางหลายจะเห็นว่าศีลห้าเขาไม่ได้ห้ามนะฮะพระเจ้าไม่ได้ว่าอยา่าฆ่าสัตว์ไม่ใช่คําว่าอย่างนั้นเราไปแปลเกินไปเองพระเจ้าไม่ได้ใช้ศาสนาพูดเป็นเรื่องเป็นเรื่องของปัญญาเราต้องคิดเราเองเลยเราตั้ง เ, เ, งเตงจตตั้งจิตเจตนาวิรัติงดเว้นเราเองเราขอกันเราเองแล้วตั้งใจพิจัพิจารณาโดยเหตุโดยผลเราเองอย่างที่เคยเล่าเรื่องจักรอุบาศกที่แกอะไรแม่แกป่วยอะ่ะ แม่แกป่วยเขาบอกว่าโรคของแม่คุณเนี่ยมันต้องเข้าเลือด ก, กระต่ายเป็นเครื่องผสมยาพี่ชายก็ไล่แกไปจับแกไปถึงจับกระต่ายกระต่ายก็ร้องอนนก็นึกเอ๊ะมันเป็นไปไม่ได้นะเรื่องอะไรเอาชีวิตคนมาแลกกับชีวิตหนึ่งมันก็ชีวิตกับชีวิตเหมือนกันกระต่ายมันก็ชีวิตแม่เราก็ชีวิตเราฆ่าชีวิตหนึ่งเพื่อจะให้ชีวิตหนึ่งอยู่มันเป็นไปไม่ได้ ม, ไมีเหตุผลเลยก็ปล่อยกระต่ายแล้วอธิษฐานใจ เสร็จแล้วก็มาถึงบอกพี่บอกหมอบอกว่ามันไม่ได้ครับมันไม่มีเหตุผลแล้วในที่สุดมันก็แม่ก็หายเกออที่ฐานอ่างอำนาจบา ร, รมีศีลธรรมของท่านเนี่ยแหละแล้วก็ปล่อยชีวิตสัตว์ไปก็ทำให้แม่ท่านหายได้นี่ก็คือเรื่องของการใช้เหตุผลดังนั้นปัญญาจึงจึงเป็นหลักของชีวิตนะคนเราถ้าขาดปัญญาเจะแล้วมันก็อะไรนะรู้เจ้าทรงทรงแสดงว่าถ้าหากว่าขาด วินัยที่บุคคลศึกษาสำเนียกดีแล้วนะฮะขาดปัญญาเป็นหลักในการพิจารณาคนเราก็เหมือนจะกระเระบือบอดคือขวายตาบอดค่ายตาบอดเดินในป่ามันมีแต่ตายกะตายแต่นั้นเองไม่มีอะไรดังนั้นออพูดไปพูดมาธรรมะในทางศาสนาจึงเป็นเรื่องเสริมสร้างสติปัญญาอยู่เรื่อยๆไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามก็เสริมสร้างสติปัญญาไปโดยลดับ ทีนี้จากจุดของศีลสมาธิปัญญานี่เองหรือว่าในที่นี้ทรงแสดงเฉพาะศีลกับปัญญานะฮะแต่ในจริงมันก็เป็นสมาธิแล้วแต่ข้ขึ้นถึงปัญญานะ่ะคือจะพูดหรือไม่พูดก็ตามก็ต้องมีอยู่อย่าลืมว่าเวลาทรงแสดงจริงๆนั้นธรรมานั้นจะคือเริ่มมาจากศีลแล้วจะเกื้อกูลไปโดยระดับถึงจุดหนึ่งจะเป็นธรรมะเองอยกตัวอย่างเช่นปานาติบาตเนนี้พระอาจารย์ทรงใช้คําว่า งดเว้นจากการทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไปแสดงออกมาได้แล้วมีมือมีสัตราวางแล้วมีอาวุธวางแล้วคือในมือเนี่ยไม่ถือสัตว์อาวุธอะไรคือไม่ได้เตรียมที่จะฆ่าใครไม่จะพูดถึงฆ่าแม้จะเตรียมฆ่าก็ไม่มีแล้วแล้วก็สำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายไม่กระทบกระทั่งร่างกายทรัพย์สินประเวณีของบุคคลอื่นมีความเมตตามีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายออกไปงั้นตอนปลายมันก็เป็นธรรมะไปแล้ว เพราะอะไรเพราะว่ามันมาเริ่มปรับจิตของกองเราให้ประนีตขึ้นไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งก็เป็นธรรมะไปเองก็เกิดขึ้นมาเองและอีกประการหนึ่งนั้นท่านทั้งหลายจะเห็นถึงลักษณะแปลกอีกประการหนึ่งเมื่อวานในไปอภิปรายที่สระบรุรีแล้วก็ตอนมานี่มาอาจารย์ปันเอกทองคําศรีโยชินก น, นวาเอกะนวาเอกอ่อนบุญญาพันธ์ก็นั่งคุยกันมาจากนั้นมาคุยกันถึงปัญหาธรรมะเนี่ยแต่ามาก็ตั้งประเด็นขึ้นมาว่าเป็นเรื่องที่น่าศึกษาอย่างหนึง่งว่า ในประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่เราสืบสาวไปได้เนี่ยไม่มียุคใดสมัยใดที่คนซึ่งมีบุญมาเกิดมากพิเศษเท่ากับพระโอรสของพระจอมกล้าเจ้าจุัวประบัติสมเด็จพระจอมกล้าเจ้าจุบัวทันที่ศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยมาจะดูเห็นได้ชัดเลยว่าไม่มียุคใดสมัยใดเลยอาจารย์ทองคําท่านท่านผู้สํานวนจีนหน่อยท่านบอกว่าดาวมังจุติดหรือดาวดีจุติเป็นเรื่องที่แปลกนะฮะว่า ท่านเหล่านั้นมามาเกิดกันยังไงแล้วก็เป็นพระบิดาในแต่ละจุดแต่จุดรายการที่ห้สมเด็จพระม้าอำนกรมยามรมกรมยามนริตลองไปดูนะฮะพระโอรสของประวัติสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเยอะแยะไปหมดเลยแล้วยอดมนุษย์ตั้งเรียกว่าค่อนตั้งตั้งเกือบครึ่งนะฮะเป็นยอดยอดแเป็นพระบิดาด้านต่างๆก็ทำให้เราก็คุยกันมาเรื่อยก็มองเห็นว่ามันคล้ายๆกับพระรามลงมาเกิดน่ะ เทวดาจุติลงมาเป็นบริวารก็ช่วยฟื้นฟูกแก้ไขสถานการณ์ต่างๆเสร็จแล้วท่านเหล่านี้ก็กลับกันไปตามสภาพของตัวเองพราถามให้มาคุยก็มานึกถึงว่าเอออาจารย์ทองคำท่านก็ตั้งประเด็นเอาไว้ว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าโอรสของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ามีอยสองชุดนะคคือชุดก่อนจะทรงผนดกรับชุดหลังจากศึกไปแล้วอริยะนั่นอยู่ในชุดหลัง ชุดก่อนก็อย่างนั้นอย่า ง, ง น, นั้นนะไม่เด่นแต่ชุดหลังนี่เด่นเด่นเยอะเลยก็ทําว่าเราก็ศึกษาไปว่ามันอะไรทําไมจึงเป็นจนั้นทินโรโยงได้ตลอดเลยตั้งแต่หลายจะเห็นว่าโรโยงมาได้จากไรนบ้านเรือนไม่ดีบ้านเรือ น, น, นสกโปรกสัตว์นรกจะมาเกิดบ้านเรือนสะอาดนักปราชญ์จะมาเกิดคือเรือนกายเรือนใจพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าจะอยู่หัวนี่ก็เรียกว่าเกลพระไปครองเมืองนะไม่ใช่พระแบบโคมันี่นะพระแบบพุทธพระแบบพุทธแต่รพระไปครองเมืองอยู่เลย คือท่านสมบูรณ์ด้วยศีลด้วยธรรมด้วยอะไรทุกอย่างไหยก็เป็นพระไงฆ่าไปครองเมืองทีนี้มันก็กลายเป็นสื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยเป็นคนมีบุญเนี่ยเข้ามาเป็นตัวดึงนะฮะเป็นตัวดึงเป็นตัวดึงคนอื่นเข้ามาแล้วเราโยงได้โยงได้จากจุดนี้จุดว่าเรือนเรือนกายเรือนใจนะฮะ เรือนใจถ้าเรือนใจของพ่อแม่แล้วเราโยงได้ตลอดโยงไปถึงนางสิริมาหามายาโยงไปถึงนางพิมพาอะไรตัวไหนเนี่ยท่านเหล่านั้นพอพอนั้นแล้ก็เริ่มรักษาศีลสํารวมระวังในลูกเกิดมาอัจฉริยะแม่เริ่มสมาทานศีลตั้งแต่ต้ น, นแม่เนี่ยคืออ ย, อย่าลืมว่าศีลห้ามันมีมาก่อนนะศีลห้ามีมาก่อนพุทธเจ้าเกิด น, นะฮะพระนางมายาท่านก็สํารวมในศีลมาตั้งแต่แ ต, ต้น แล้วพระโพธิสัตว์ก็อุบัติพระเจ้าสุโธทธนะก็ยอดกัตรัย์นี่ก็ยอดราชินีลูกก็เลยเป็นอัจฉริยะไปเลยมันเป็นตัวดึงเป็นตัวดึงแล้วมันก็ข้าหาธรรมะเลยเีหาธรรมะว่าปุนี้มันมีอิทธิพลในการในการดึงเอาลูกเนี่ยฮะเพราะงั้นเราเราเราต้องการจะได้ลูกดีๆนี่เราต้องเป็นคนดีเรือนใจเราต้องสะอาดเพราะนักปราชมันจะมาเกิด นะถ้ามีแต่ความอิจฉาที่สยามมีแต่ความโกรธแค้นดาา่าเช้าด่าเย็นด่ากลางวันหลังอาหารเนี่ยไม่มีเราจะเอาเทวดามาเกิดไม่มาเกิดหรอกก็มีสัตว์นั้นโรกก็แห่กันมาเป็นกระบวนมาแหละเพราะงั้นต้องการในลูกดีเราเห็นได้ชัดว่าพื้นฐานทางของพ่อแม่นสําคัญที่สุดเพราะเป็นตัวดึงเป็นตัวดึงเหมือ น, นกับอะไรเหมือนกับโคไปสู่สำนักโคกลายไปสู่สำนักไก่นกไปสู่สำนักนกนั ก, นก ป, าปกนนากการาชญ์ไปสู่สำนักของนักปราชญ์โจรไปสู่สำนักโจรนักการพ น, นันไปสู่สำนักนักการพนัน ตัวเองได้ชัดเลยว่าลักษณะตางสังคมมันก็เป็นอย่างนั้นคือว่าคนมีจิตใจเสพคุ้นยินดีในเรื่องอะไรเขาจะไปเรื่องเหล่านั้นมีคนเยอะที่นั่งรถผ่านสนามมวยไปมองดูอย่างไม่มองดูเลยจะมีคนเยอะที่อุตส่าห์เดินถอสังขารไปที่สนามมวยมันก็แล้วแต่ว่าใครนะ่ยมันมีพื้นใจเป็นอย่างไง น, นี่เราเห็นได้ชัดเห็นได้ชัดเลยอย่างยกตัวอย่างง่ายๆมา น, นานมาแล้วนะามาเคยอุปมาให้ฟังว่า ลักษณะการการมาเกิดร่วมกันของคนเนี่ยมันเหมือนกับอะไรมันเหมือนกับเราเอาคนสักสิบคนห้าคนก็นได้เอาง่ายๆนะฮะจากห้าคนจะมีพื่นอาญาสายต่างกันนะคนหนึ่งชอบเล่าคนหนึ่งชอบฟังธรรมคนหนึ่งชอบออกินนะคนหนึ่งชอบเล่นการพ น, นันคนหนึ่งชอบสนุกอะไรอะไรสมมติว่าเนี่ยแล้วเราแก้ไว้ในที่เดียวกัน วันหลังเราปล่อยแกออกมาในในถนนนั้นมีทั้งวัดมีทั้งโรงเหล้ามีทั้งร้านอาหารมีทั้งการละเล่นที่เดินผ่านมาเนี่ยแต่ว่าคนทั้งห้านี้จะแยกตัวแกเองจะแยกตัวแกเองตลอดเส้นทางนั้นนะแกจะแยกตัวแกเองแกจะไม่ไปในที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะเพราะอะไรเพราะว่าจิตนั้นได้เก็บเรื่องต่างๆไว้ไม่เหมือนกันคนที่อยากสนุกก็แหมวันนี้ก็มีการละเล่นก็วิ่งไปก่อนนะขาดไปถูกขังอยู่หลายวัน คนหนึ่งยินดีในธรรมะเอ้ยมันมันเศร้าใจมาหลายวันแล้วซึมซึมเข้าวัดไปก่อนก็แล้วแต่ทีนี้มันก็ข้าหลักอะไรข้าหลักที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ท่านนักกุลนักกุลบิดานักกุลมารดาคือสองสามีพันญานี้รักใครกันมากแต่ท่านก็บอกว่าตั้งแต่อยู่มาจนแก่เนี่ยังไม่เคยทะเลาะกันเลยเวลาตายแล้วก็อยากจะมาเกิดเป็นสามีพันยากันอีกแล้วทํำยังไงถึงจะถึงจะมาเกิดร่วมกันได้ พรู้เจ้าทรงแสดงว่าให้มีธรรมะในระดับเดียวกันแต่ทรงใช้คาว่าเสมอนะฮะเสมอกันศรัทธาสมาศีลสมาจาะสมาปัญญาสมาคือมีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีจาระเสมอกันมีปัญญาเสมอการท่านทั้งหลายถ้าเคยอ่านองค์ธรรมะสี่ข้อนี้นะฮะจะเห็นว่าธรรมะสีข้อนี้ทรงแสดงมากธรรมะที่ทำให้คนสาเร็จความประสงค์สอย่างก็คือเนีย ธรรมะที่เป็นทิฏฐธรรมะำสัมปราิกถาประโยชน์คือประโยชน์ที่เราจะได้ในชาติหน้าภพหน้าที่สมบูรณ์นะก็คือสีข้อนี้แล้วก็ธรรมที่ทําให้คนเกิดอยู่ร่วมกันก็คือสีข้อนี้และวธรรมที่ทําคนให้เป็นเทวดาคือสข้อนี้แต่ว่าข้อที่3ไปเพิ่มภูสัจจะข้าไปเพิ่มภูสัจจะข้าคือการศึกษาการสดับจับฟังมากเข้าก็กลายเป็นเทวธรรมคือธรรมะที่ทําคนให้เป็นเทวดาด้วยอัตภาพที่เป็นมนษุษย์ เพราะฉะนั้นไอเรื่องศีลเรื่องปัญญาเรื่องสมาธินี้ไม่ใช่ว่ามีผลเฉพาะเพียงเราเท่านั้นเองแต่มีผลแม้ในการอยู่ครอบครองเรือนถ้าตงต่างคนต่างมีศีลมีปัญญาก็บ้านก็เป็นสวรรค์วิมานเวลาจะได้ลูกก็เทพที่เทพบุตรเทพธิดาก็จะจุติลงมาเกิดเป็นตัวอย่างที่เราสามารถเชื่อมโยงได้ตลอดคือจากพระพุทธเจ้ามามหา ปัจจุบันเหตุการณ์บุคคลในปัจจุบันว่าเรื่องนี้พิสูจน์ได้ตามความเป็นจริงเลยว่าเป็นไปเช่นนั้นดังนั้นเวลาเกิดลูกมาแล้วมันลูกมันเพี้ยนเพียนไปมันต้องรู้ว่าเราอีกก่อนมีคันมันเพี้ยนเพียนหรือเปล่าแต่เราเพียนเพี้ยนมันก็สมแล้วแหละมันไปเป็นเรื่องของเหตุของผลน่ะมันจะเป็นไปตามนั้นวิธีที่จะแก้ในเรื่องนี้จึงน่าจะแก้กันที่ตอนต้นแก้ปัญหาเยาวชนจึงต้องปลูกฝังศีลธรรมขึ้นภายในจิตใจของคนทุกระดับ คือเด็กที่เกิดมาแล้วนั้นก็คือเกิดมาแล้วเราจะต้องอบรมบ่มนิสัยในด้านศีลธรรมโดยการจัดระบบการศึกษาที่ให้เห็นคุณค่าของศีลธรรมเห็นคุณค่าของศาสน า, ศ า, ศาเห็นคุณค่าของความดีเสริมสร้างจริยรรอุปปาขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเหลาเจ้าใหญ่เจ้ามาก่อนจะมีครอบครัวอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก่อนที่จะคือคนที่แต่งงานกันนะฮะแต่งงานกันมันก็เริ่มควรจะมีธรรมะแล้วถ้าต้องการที่จะได้ลูกที่ดีๆ ก็เราดูตัวอย่างเนี่ยดูตัวอย่างไม่ว่าตั้งแต่นัน้นตั้งแต่สมัยรุ่นแต่เจ้ามาไม่ว่าใครก็ตามถ้าหากว่าพ่อแม่ดีแล้วเนี่ยลูกต้องดีเพราะอะไรเพราะเป็นตัวดึงเป็นตัวดึงจำนวนจำนวนบางอย่างก็คล้ายๆกับว่าเทพปบุตรเทพบุตรที่จะมาจุติถ้าจำนวนจีนนะคือดาวดีมารวดดาวอะไรต่ออะไรก็เยอะของจีนนะ แต่นนั่น น, น, นั่นเขาพูดในเชิงรูปธรรมแต่ถ้าเรามองในแง่ของนามธรรมามันก็ลงรอยกันเราจะเป็นสื่อนะจะเป็นสื่อเป็นตัวดึงหรือเป็นแรงเป็นแรงที่จะดึงคนเข้ามาก็คล้ายๆกับนี่แหละคล้ายๆกับท่านทั้งหลายก็เหมือนกันนะที่จริงมาไม่ใช่ง่ายนะมาวัดเนี่ยมันหลุดมาได้ะกี่คนออประตูวัดเปิดรอบทิศทางมันหลุดเข้ามาวัดได้กี่คนวันเสาร์วันอาทิตย์แต่ว่าท่านทั้งหลายหลุด ออกมาได้เพราะอะไรเพราะว่าภายในใจนั้นมีธรรมะแล้วก็รอการเพิ่มผูนธรรมะก็เห็นว่าจะได้ธรรมะในที่ใดมันก็ใจก็สายไปในที่นั้นมุ่ง ม, มั่นไปในที่นั้นการอุบัติบังเกิดของคนก็เหมือนกันคือจิตใจมันก็เป็นตัวกาหนดพบชาติที่มีกรรมขึ้นมาปรุงแต่งในขณะนั้นๆนะฮะก็กลายเป็นกาหนดพพชาติเพราะงั้น ถ้าหากว่าพ่อแม่กลายเป็นสื่อที่ดีหรือตัวเองมีศีลมีธรรมไอเราก็ได้คนที่มีศีลมีธรรมเข้ามาพูดจาการรู้เรื่องก็ไม่มีปัญหาอะไรเราลองลองดูถึงของของพระพุทธเจ้านะฮะพระพุทเจ้าของพระองค์ทั้งชุดเลยน้องน้องสององค์เหมือนกันหมดลูกเลยไปไปหมดเลยไม่หมดเลยเพราะมันชั้นดีงนั้นเนี่ยชั้นดีมาตั้งแต่โน้นนะตั้งแต่ปู่เจ้าตายายของพระองค์มาเนี่ย ท่นดีแต่ไม่ใช่แบบดีด้วยโคตรนะเป็นดีด้วยธรรมเป็นกษัตริย์ที่ทรงธรรมมาตลอดเลยแล้วก็ดูง่ายๆตัวอย่างข อ, องรัชกาลสนเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านบวชมาตั้งยี่ส็ปียีบเจ็ปีแล้วก็เป็นเป็นกษัตริย์นักปราชญ์นะนมายังไม่ชอบเท่าไหร่หรอกที่เขายกย่องให้ท่านเป็นนักประวัติศาสตร์เอ็นักวิทยาศาสตร์คือว่าที่จริงวิทยาศาสตร์ท่านไม่เด็ดไม่ได้เด่นเท่ากับธรรมะหรอก ธรรมะท่านเด่นกว่าเยอะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความรอบรู้ในอักรศาสตร์ไม่ว่าภาษาอังกฤษภาษาบาลีภาษาสันสกฤตอะไรต่ออะไรเนี่ยท่า น, ท, านท่านเป็นนักปราชญในด้านนี้เราก็ไปยกจ้องในแง่วิทยาศาสตร์จึงก็ทำให้คุณธรรมในด้านธรรมะของพระองค์ท่านไม่ได้รับการเผยแพร่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นมันถูกอะไร โครนการเมืองไปเละก็เลยทําให้เรามองไม่ค่อยเห็นความดีแต่ถ้ามีการศึกษามีการติดตามค้นคว้ากันจริงๆนะฮะที่ว่าใครยังไม่บิดเบือนได้ทีเนะี่ยยังไม่บิดเบือนนะเราจะเห็นถึงว่าเป็นกษัตริย์ที่ทรงทำและว่ากันตามความเป็นจริงราชการที่หเนี่ก็เดินตามพ่อเดินตามพ่อพ่อวางแบบไว้เสร็จหมดทุกอย่างแต่ว่าพ่อทําไม่ทันะพ่อทําไม่ทันก็ลูกสานต่อท่านเองก็รับสั่งไวอ้อย่างนั้น ในลายพระหาที่ถึงเซอร์เอสวินอานอนเขก็รับสั่งอย่างนั้นพ่อเป็นคนวางเอาไว้นี่ก็เป็นหลักว่าความดีความชั่วของคนไม่ว่าในาศาสนาพราหมณ์หรือในาศาสนาพุทธหรือความเป็นผู้ประเสริฐในทั้งสองสาศาสนาแต่ไม่แต่าศาสนาอื่นก็คือกันนะั่นะก็มาลงอยู่ที่ว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติ ความประพฤติในชั้นโดยทั่วไปก็คือความประพฤติในชั้นศีลเป็นมาฐานระดับสังคมเบื้องต้นศีลชัน้นธรรมดาสามัญก็คือความมีระเบียบวิ น, นัยมีกฎเกณฑ์ที่เรากําลังรณรงค์กันเมื่อวานเนี่ยก็ไปไประชุมเรื่องค่านิยมพื้นฐาน5ประการกั น, นที่สํานักวัฒนธรรมเ ข, เขาวางไว้วมาก็ไปติง้งเขาหน่อยหนึ่งบอกว่าหรือถ้าเราเอาข้อที่4คือการปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาขึ้นไปไว้ข้างบน และเราสามารถที่จะสร้างฐานได้ง่ายกว่าเพราะอะไรพระธรรมมทั้งหมดที่เขายกมาเนี่ยมันมีทุกศาสนาแล้วเราใช้คำว่ า, าศาสนาเฉยๆใช้คำว่ า, าศาสนาเฉยๆว่าให้ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาเช่นก็ว่าไปในนี้มีการพึ่งตัวเองมีความอะไรหมั่นขยันมีความรับผิดชอบอะไรต่ละก็ว่าไปแล้วก็เราเค่อยไปกระจาย มาอามาก็แนะนําเขาบอกว่าเวลาอี่บายเนี่ยควรจะเชื่อมกับศาสนาพวกคริสต์อธิบายก็ให้เชื่อมกับคริสต์พวกอิสลามอธิบายก็ให้เชื่อมกับคําสอนอิสลามพุทธก็อธิบายเชื่อมกับพุทธเพราะหลักเหล่านี้มันมีในทุกศาสนาไม่ต้องพูในทีน่เนื้ฐานศรัทธา ม, นมันมั่นคงกว่าคือเราอ้างคําสอนพระพุทธเจ้าอ้างท่านน บ, บีอ้างพระเยซูอะไรในแต่ละศาสนาเนี่ยมันจะเกิดศรัทธามั่นคงขึ้นมากกว่าแด้ผลในการสร้างค่านิยมมันก็จะได้เร็วขึ้นอันนี้ก็ เป็นหลักอย่างหนึ่งที่ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าศัจธรรมในบางระดับนั้นคือโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งระดับศีลธรรมจัญญาระดับศีลธรรมจัญญาเนี่ยมันก็ลงกันสมกันโดยเฉพาะในกรณีนี้ก็คือในกติของพรามกับกติพุทธก็ลงกันสมกันว่าศีลกับปัญญานั้นเป็นเอกลักษณ์ของมนุษย์นะฮะซึ่ง มนุษย์เราถ้าขาดสองอย่างนี้มันก็ตกต่ำทั้งในด้านความประพฤติที่จะใช้เหตุผลในการดารงชีวิตเอ่อแล้วก็ตกต่ำในด้านความคิดจิตใจซึ่งก็ทําให้คุณคุณภาพของความเป็นมนุษย์มันต่ำไปด้วยเพราะความเป็นมนุษย์นั้นก็หมายถึงคนที่สามารถรู้อะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์และการจะรู้อย่างนี้ได้ก็ต้องอาศัยปัญญาดังนั้นหลักเหล่านี้จึงเป็นหลักที่จําเป็นในในทุกระดับของการดารงชีวิต สำหรับในวันนี้ก็หมดเวลาแต่เชียงเท่านี้